สาหรับคําถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์คริสเนี่ยนะคะก็จะเป็นคําถามที่คิดว่าน่าจะอยู่ในใจของหลายๆคน mm hmm. เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ mm hmm. เรามีการบอกว่าโลกในเขารับรอง mm hmm. ให้เป็นเหมือนกับเป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะ mm hmm. ทีนี้เวลาเรามีปัญหา <c oughs> โดยเฉพาะปัญหาที่ชัดเจนมากแล้วเกิดมาเป็นระยะเวลาข้ามปีดูที mm hmm. ท่าว่า จะเจือจางลงไปได้ยากคือปัญหาทางด้านการเมืองแล้วมันส่งผลกระทบในทุกๆด้านเนี่ย mm hmm. มันทำไมดูเหมือนกับมันคลี่คลายยากแล้วทำไมเ mm hmm. มืองพูดแบบเราซึ่งเราบอกว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนานลํำเลอสุดยอดแล้ว mm hmm. ปัญหาพวกนี้จึงไม่ได้รับการแก้ไขโดยหลักธรรมทางศาสนานและจะทำอย่างไรถึงจะทาให้มันคลี่คลายได้คะท่านอาจารย์ oh. นรศ ก, การคะ่ะคือบางทีมัน เป็นพุทธแต่ปริมาณหรือเป็นพุทธแต่ชื่อ <Okay. S 1> ในลักษณะอย่างนั้นแต่เรามีข้อปฏิบัติที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยน้อยมาก mm hmm. ข้อปฏิบัติที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยที่จะเข้าถึงประชาชนเนี่ยเข้าถึงคนในประเทศเนี่ย mm hmm. ถ้าในประสบการณ์ที่อาจรมาเห็นมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ น, น้อยอคําสอนต่างๆเนี่ย การประพฤติปฏิบัติเนี่ยออกนอกแนวทางพุทธวจนะคําสอนของผู้เจ้าไปค่อนข้างมากเหมือนกันเลยเลยเหมือนกับว่าเราเรามีชื่อว่าเป็นพุทธแต่พอมาดูข้อปฏิบัติจริงๆแล้วเอ๊พุทธจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าถูกต้อง100อย่างที่ผู้เจ้าเคยตรัสไว้หรือเปล่าอย่างนี้ถามว่าไวัยรุ่นรู้เรื่องศีลห้าไหมไม่ค่อยรู้มาตรฐานเลย ค, คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบัน เราไม่เคยรู้แบบมักมีองแปดเรารู้ไหมสินสมาธิปัญญาเรารู้ไหมหลักการของผู้เจ้าอริยสัจรรสี่เรารู้หรือเปล่าเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเรารู้แต่พิธีกรรมทำบุญไตรบาทอะไรต่ออะไรพวกนี้นะสะดอกครกค่ะดูหมอสะดอกครกดูหม อ, <laughs> อซึ่งเนี่ยนอกแนวทางไปแล้วเห็นะแต่เราทำกันเป็นปกติและมองความรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือเครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ ซึ่งมันไม่ใช่นี่ไงอันนี้เราคือเราเป็นสิ่งที่อาตมาคิดว่าเราต้องปรับและถ้า<ม>หากว่าคนเข้าใจาศาสนาพุทธมากขึ้นจริงๆจะช่วย<ม>แก้ปัญหาได้ไหมคะท่านโอ้โหมหาศาลเลยเพราะว่ า, าศาสนาพุทธเกิดมานานแล้ว <c oughs> โลกเปลี่ยนไปเยอะครับศาสนาพุทธคำสอนพระเจ้าเนี่ยทันสมัยตลอดการท่านยืนยันว่าศจธรรมของท่านเนี่ยเป็นอากาลิโกไม่จากัดการใช้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยนะ แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของอชนในกลุ่มนั้นๆด้วยถ้าปฏิบัติตามจริงดังนั้นถ้าหากว่าปัญหาอย่างเนี้ยนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยท่านจะทําจะทรงทํำในเรื่องนี้อย่างไรในการจัดการกับข้อขัดแย้งอะคะในข้อขัดแย้งเนี่ยพระเจ้ามีหมวดธรรมะหลายอย่าง นะที่จะแก้ไขความขัดแย้งนะท่านไปณนะหมู่ชนใดท้าบอกถ้าท่านเห็นว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันเลยเนี่ยท่านบอกท่านเชื่อได้เลยว่าหมู่ชนนั้นเนี่ยมีการละความคิดในทางกรามทางพยาบาททางเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลากรามนี่คือความยินดีทางรูปสดอินเสียงมันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันได้นะ ค, ความคิดในทางที่จะไปพยาบาทไปเบียดเบียน เขาด้วยกายหรือด้วยวาจาก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เมื่อคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องละทิ้งถ่ายถอนบรรเทาทําทให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอากุศลวิตกเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดเหล่านี้ก็ง่ายนะการเบียดเบียนกันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือผู้เจ้าไปหาภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็ถามว่าอ้าเป็นไงพวกเธออยู่สบายกันดีไหมบอกอยู่สบายดีพวกเธอทะเลาะ ก, กันบ้างไหมบอกไม่ทะเลาะเลยเหตุใดเธอจึงไม่ทะเลาะนะ มีองค์หนึ่งท่านก็ตอบว่าพวกข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอํานาจจิตของท่านผู้มีอายุเราอื่นนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้มันก็มีการแปลงง่ายๆว่ายังไงนะคะเก็บจิตของข้าพระองค์ก็ค <g ül üyor> ือค่ะเก <c oughs> ็บความเห็นความอยากของตัวเราเองไว้ประพฤติตามความต้องการของผู้อื่นค่ะนะทีนี้ถ้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็คือมันมีการรู้จักฟังกันขึ้นค่ะมีเหตุมีผลแล้วก็พระเจ้าเนี่ย วางวิธีระ ง, งับเรื่องราวเอาไวา้เรียกว่าวิธีระ ง, งับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ใช่ไหมเราจะเอามาเรียนแบบก็ได้ประยุกต์ได้<ช>ประยุกต์ได้เช่นท่านบอกไว้7วิธีอย่างวิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็เช่นสมมุขาวินยัยถึงความประชุมพร้อมหน้ากันด้วยบุคคลวัตถุพยานอะไรต่างๆเอาเข้ามาคุยกันจับเข่าคุยกันอย่างนี้นแล้วก็อธิกรณ์คือเรื่องราวระงับ แต่ถ้าคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเรื่องระ ง, งับไม่ได้ทํายังไงต่อ <c oughs> ท่านบอกให้ใช้เยปุยสิกาแปลว่าตัดสินเอาตามคําของอเสียงข้างมากเป็นประมาทอั <c oughs> นก็คล้ายหลักประชาธิปไตย <c oughs> ใชไ่ใช่ก็ลงมติกันคณะสงฆ์ก็ใช่อย่างเนี้ยนะเอาเสียงข้างมากนแล้วก็เป็นทะี่สุดแล้วก็ถือว่ายุตินะะเพราฉนั้นอันนี้เราต้องต้องเชื่อในภูมิปัญญาของผู้เป็นสัพพัญญูไงผู้เจ้าถ้าเราบอกว่าเราเป็นพุทธเนี่ย แต่เราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเราเพียงพอเราใช้ความเห็นของเราไ ง, ท, า ง, ท, างทั้งๆที่พระเจ้าเนี่ยวางความเห็นไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มศรัทธาในพระองค์ให้มากขึ้นและก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเก่งที่สุดซึ่งท่านยืนยันว่าท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดฟังดูเหมือนกับว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ถ้าเปรียบเที่ยบกับการเมืองปัจจุบันด้วยระบอบประชาธิปไตย อย่างเดียวเลยไหมคะเ <c oughs> ออก็ไม่อ่ะอ่าถ้าในยุคที่ผู้เจ้าอยู่เนี่ยนะ <Okay. S 2> เหมือนกับพเด็จการเหมือนกันนะแต่ท่านรู้แล้วว่าไม่มีใครเลิ่เท่าท่านท่านเป็นมหาบุรุษนะ่ะเป็นสัมมาสัมพุทธสร้างบา ร, รมีมานะเพื่อความเป็นเลิ่อนนะเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นท่านรู้แล้วว่าท่านเนี่ยเก่งที่สุดเลิ่ที่สุดไม่มีกิเลสแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าเนี่ยจะปกครองโดยลักษณะว่าอ่าฟังท่านคนเดียวเลย <Okay. S 2> ใช่ไหม แต่ลักษณะนี้จะหมดไปเมื่อพู้เจ้าจะปรินิพานพู้เจ้ารู้แล้วว่าไม่มีใครมีความสามารถเสมอท่านเพราะนั้นก่อนปรินิพานพระเจ้าก็มอบความเป็นใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ก็เหมือนกับลักษณะประชาธิปไตยไม่แต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนเป็นผู้ตัดสินที่ซ้ายที่ขวาแทนให้ใช้คณะสงฆ์เป็นใหญ่แล้วเสียงค้างมากแล้วก็อธิบายธรรมะ วิธีระงับเรื่องราวอะไรต่อหลายไว้ทั้งหมดทุกอย่างอ่ระบุเรียกว่าเป็นพระวินยัยเป็นพระธรรมออกมาอย่างนี้งั้นเท่ากับว่า <c oughs> ต้องถ้าถ้าเป็นผู้นําำ huh. ก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลส <c oughs> จึง <c oughs> จะสามารถเป็นผู้นําเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ เ, เรา<แ><แ>อาจจะ เรียกกันว่าเผด็จการแต่เผด็จการสมัยนี้ฟังดูไม่ดีการนั้นเผด็จการสมัยนี้ฟังดูไม่ดีอาจจะเป็นเพราะเผด็จการนั้นไม่ได้เป็นผู้ปราศจากกิเลสและไม่ได้เป็นเลิศใช่ไหมคะใช่ยังยังเป็นบุคคลมีกิเลสอยู่ปุ๊บเนี่ยการตัดสินชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยมันจะประกอบด้วยโลกกฎลงอยู่แต่ของผู้เจ้าไม่มีทุกคนวางใจเนี่ยการชี้ซ้ายชี้ขวาของผู้เจ้าเนี่ยทุกคนจะเชื่อจะฟัง เพราะนั้นศาสนามันก็พึกพลึกพ ล, กลกแพ่ไปสารไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วะะทีนี้ยัง ก, กลับมาปัญหาของสังคมไทยะะต่อนะคะเราสังเกตว่าสังคมเนี่ยจะเป็นสังคมของการกล่าวหาะะคือเหมือนกับทั้งฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าเขานี่ยไม่ผิดแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยผิดจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปสรุป มนุษย์มนุษย์ด้วยกันจะสรุปมนุษย์ด้วยกันว่าใครเป็นคนผิดคนถูกในทางศาสนาพุทธนี่ถือว่ายังไงคะอ๋ออันนี้ก็ท่านบอกไว้หลายนัยยะเหมือนกันผู้ที่จะอตรวจสอบตัดสินประเมินบุคคลได้นั้นเนี่ยนะถ้าจริงๆแล้วนะมีแต่พระพุทธเจ้าหรือผู้มีความ ส, สามารถเสมอเท่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะวัดสอบตัดสินนะบุคคลไดนะ้เพราะว่า ผู้เจ้าเนี่ยมีญาณอย่างรู้อย่างไม่มีประมาณแต่ระดับสาวกเนี่ยยังอย่างรู้มีขีดจำกัดนะตกอยู่ภายใต้อา น, นิจจังนะเพราะฉนั้นไม่แน่นะแล้วก็หลักความคิดอีกอย่างที่จะรักษาไว้ซึ่งความจริงนะภาลัทธวาชาวเนี่ยถามผู้เจ้าบอกว่าจะรักษาไว้ซึ่งความจริงได้ยังไงเราได้ยินได้ฟังได้เห็นมาอย่างเนี้ยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าผู้เจ้าบอกไม่ยากวางความคิดเท่านี้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นปล่า ด้วยการคิดเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้เรียกสัจจานุโพจน์แปลแปลง่ายๆว่าการรักษาไว้ซึ่งความจริงความจริงจะดำรงไว้ได้อย่างไรด้วยการคิดเพียงเท่านี้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าก็คือรับรู้รับเห็นรับฟังมาอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าสิ่งที่ตนเองรับรู้มาเนะี่ยมันจริงนะไม่เนี่ขออย่าเชื่อในทันทีอย่าเชื่อในทันทีวางเป็นอ น, นิจจังไว้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเราก็ คิดว่าที่จริงๆเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ตอบมาก็คือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าชาวพุทธเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรือว่าไม่รู้จริงนะคะก็เลยทําให้เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนย่าปากคอกันนะคะอแต่จริงๆเรื่องการทะเลาะบอกแว้เนี่มีทุบพกปุ่มนะอ่า พวกเทวดาพวกพวกอะไรมันก็ทะเลาะ ก, กันมีจอมเทพมาถามพระเจ้าว่าเ <_ S 1> นี่ยตั้งใจจะไม่ทะเลาะ ก, กันแล้วทำไมมันยังทะเลาะ ก, กันเนี่ย <_ S 1> เป็นเพราะอะไระนะอืพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเพราะอิจฉาและมัจฉริยะคือความอิจฉาและความตรนีจอมเทพก็ถามพระเจ้าต่อไปว่าและไออิจฉาและมัจฉริยะเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพระเจ้าก็บอกว่าเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเพราะนั้นเรารักอะไรเราไม่รักอะไรนั่นแหละนั่นแหละนะ อ่ามันจะสร้างการทะเลาะบอกแหวงให้เกิดขึ้นใช่ <Okay. S 1> อ่าแล้วมีคําที่ผู้เจ้าเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยที่พิสูจนในกลุ่มโกสัมพีทะเลาะกันสนใจอยากจะทราบ้ะว่าผู้เจ้าพูดอะไรสนใจค <laughs> ่ะรูสการค่ะแล้วผู้เจ้าเนี่ยจ ะ, <c oughs> จ, ะจะบอกตําหนิบอกห้ามไว้เนี่ยโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนะผู้เจ้าไปห้ามพิสูจนในกลุ่มโกสัมพีท่านบอกว่า ภิกษุทั้งหลายพอทีพอทีพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าหมาม่นกันเลยอย่าทะเลาะ ก, กันเลยอย่าโตเถีงกันเลยอย่าวิวาดกันเลย<ะ>ถึงสองสาครั้งนะภิกษุก็ยังเฉยแล้วมีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะออกมาพูดกับผู้เจ้าว่าเนี่ยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประกอบสุขในวิหารธรรมนะในทิฏฐธรรมนี้อยู่เถิดนะ พวกข้าพระองค์จะทําให้เห็นดําเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันดังนี้เองนะนี่พระเจ้าพูดนะยังไม่ฟังเลยนะเรพูดแล้วเาพูอยางบอกจะทะเลาะกันต่อจะทะเลาะกันต่อแล้วบอกให้พระเจ้าไปเงียบๆซะเถอะนะไปทําสมาธิประกอบความสุขในปัจจุบันของพระองค์เถอดขวนควายน้อยเถอะคล้ายๆสมัยนี้เลยนะคะ ก็แปลกสีนะแต่อันนี้มีมาสองพันห้ารอกว่าปีแล้ว <C AS Y> ซึ่งผู้เจ้าไม่รู้หรอกว่าสมัยนี้จะมีอะไรบ้าง <C AS Y> แต่สมัยก่อนเกิดจากนี้และผู้เจ้าก็ไปห้าม <C AS Y> นี่คือเป็นสาวก ข, ของท่านเองนะ <C AS Y> นะยังไม่ค่อยฟังท่านใช่ไหมอ่าตอนนี้ผู้เจ้าบอกต่อท่านก็เลยบอกว่าพอท่านห้ามอย่างนี้ไม่ฟังเออปกติมันฟังเราทุกทีนั่นนี่นะนี่พูดแล้วไม่ฟังท่านก็เลยเก็บบาทจีวรไป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 ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทําร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับได้ท่านบอกในยุคไหนก็ตามนี่นะบอกในอนาคตเลยนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรทำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสํานึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ากันย่อมระ ง, งับได้เพราะความรู้สึกนั้นมู่แต่ทะเลาะ ก, กันนี่จะแหลกลานะเ น, นี่ยพระเจ้าช่าใช่ไหม อ, อ่าเหมือนเหมือนกับ<ๆ>ที่ไหนก็ไม่ทราบนะเนี่ยแล้วผู้เจ้าก็ตรัสต่อว่าความกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขระเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนม้าโคและขนเอาทัพย์ไปแล้วทําไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า ก็คือไอ้พวกโจรทั้งหลายมันยังสามัคคีกันเลยป้นค่าเขานี่ะแต่พวกเธอเป็นบัณฑิตเธอทําไมเธอสามัคคีกันไม่ได้ใช่ถูกค่ะนะอแล้วท่านก็ตรัาต่อว่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปรานที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซก็จงทําตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคว้นซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นเพราะการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่า เพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคน่านพึ่งเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาสนะคือเหมือนกับถ้าอยู่ร่วมกัน <c oughs> ใช่แล้วไปด้วยกันไม่ได้ใช่ให้แยกออกไปซะดีกว่ า, า, าแต่อย่างไรก็ตามประเด็น <c oughs> ที่ถ้าอาจารย์ได้อ่านพระพุทธวัจนะของ อ, อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดิฉันคิดว่าพุทธศาสนิกชนหลายคนฟังไม่คงจะ ถึงแก่บอกโอ้โหพระพุทธเจ้าีนตรัสเผื่อล่วงหน้าว่าอย่างนี้เชี่ยวหรือตรัสเผื่อสถานการณ์ประเทศไทยโดยเฉพาะหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะดิฉันเองก็หวังว่า น, ะะน่าจะได้ให้แง่คิดอะไรบ้างกับคนไทยนะค ะ, <ไหม>ะเว้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน<ไหม>อันนี้ถือว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตัหมคะเป็นอันนี้คาตัดจากพระโอษฐโดยตรงค<า>่ะก็ฝากเอาไว้นะครับ เพื่อให้สังคมไทยเรากลับคืนสู่สุขสงบอีกครั้งหนึ่งเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรค่ะ